เจลิญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตสัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่16เมษายนพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลาย มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ใช้เวลาที่ว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ชีวิตด้วยการมาทำบุญที่วัดกันเพราะชีวิตของพวกเรานี่เกิดมาก็เพื่อทำบุญนี่เองเพราะบุญเท่านั้นที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น มีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไม่ใช่ลามยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เป็นความสุขความเจริญชั่วคราวที่จะต้องหมดไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ชีวิตของเราไม่ได้หมดไปกับความตายของร่างกาย ชีวิตของเรายังอยู่ต่อและจะต่อด้วยความสุขความเจริญหรือต่อด้วยความทุกข์ความวุ่นวายใจก็อยู่ที่การทำบุญหรือไม่ทำบุญนี่เองพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงตัดสรูวความจริงของชีวิตแล้วว่าชีวิตของพวกเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ จะมีความสุขมีความเจริญได้ก็อยู่ที่การทำบุญนี่เองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวพุทธเรามันทำบุญกันให้มากๆทรงสแสดงวิธีทำบุญไว้อยู่ส0ประการด้วยกันคือหนึ่งบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทาน 2. บุญที่เกิดจากการ ละเว้นจากการกระทำบาปทั้งปวงเรียกว่าศีลบุญที่เกิดจากการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าภาวนาบุญที่เกิดจากการแบ่งปันส่วนบุญที่ได้ทําไว้ให้แก่ผู้ร่วงลับไปแล้วเรียกว่าการอุทิศบุญบุญที่เกิดจากการร่วมทําบุญกับผู้อื่น เรียกว่าอนุโมทนาบุญบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อ่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญที่เกิดจากการเสียสละแล้วบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะแล้วก็มีบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้อง บุญที่เกิดจากการได้ฟังเทศฝัฟังธรรมและบุญที่เกิดจากการได้ให้ธรรมะกแก่ผู้อื่นนี่คือบุญสิบประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราหมั่นทำกันอยู่เรื่อยๆเพราะชีวิตของเราเกิดมาก็เพื่อทำบุญเท่านั้นเพราะถ้าเราไม่ทำบุญ ชีวิตของเราจะไม่มีวันที่จะเจริญที่จะมีความสุขที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ดังนั้นหน้าที่ที่แท้จริงของชีวิตก็คือการทำบุญแต่เนื่องจากเรามีภาระรอย่างอื่นเช่นร่างกายของเราที่เราจะต้องเลี้ยงดูเราก็ต้องเลี้ยงดูร่างกายไปด้วยเพราะถ้าไม่มีร่างกาย เราก็จะไม่สามารถที่จะมาทาบุญกันได้แต่เราไม่ควรที่จะเอาชีวิตของเราไปกับการหาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเพราะมันเป็นการดึงให้ใจของเราเดนอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเราต้องพยายาม ฝืนความอยากที่อยากจะหาราบยดสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจนูกลิ้นกายแล้วดึมใจให้มาทำบุญหรือให้เรามาทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อให้มีปัจจัยสี่พอเพียงต่อการดำรงชีพถ้าเรามีปัจจัยสี่พอเพียงต่อการดำรงชีพแล้ว เราก็ไม่ต้องหาเงินทองมาให้มากเกินไปเอาเวลามาหาบุญกันดีกว่ามาสร้างบุญกันดีกว่าเพราะบุญนี่แหละที่จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นมีฐานะดีขึ้นคือสภาวะจิตใจของเราจะสูงขึ้นจากมนุษย์เราก็จะไปเป็นเทพจากเทพเราก็จะไปเป็นพรง จากพงเราก็จะไปเป็นพระอริยเจ้าไปจนถึงพระนิพพานนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการทำบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นทำกันพยายามทำบุญพยายามทำมาหากินหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อจะได้ใช้ร่างกายนี้มาทำบุญอย่าเอาร่างกายไปทำบา อย่าเอาร่างกายไปทำตามความโลภความโกรธความหลงต่างๆเพราะเป็นการทำลายตัวเราเองทำลายชีวิตของเราให้เสื่อมลงให้ชีวิตของเรามีแต่ความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเพราะถ้าเราเอาชีวิตของเราไปทำบาปไปทำตามความโลภความโกรธความหลงชีวิตของเราก็จะเสื่อมจากมนุษย์ลงไปเป็น เดลฉานลงไปเป็นเปรยลงไปเป็นอสูรกายและลงไปเป็นสัตว์นรกตามกำลังของการกระทำบาวว่าทำมากทำน้อยเพียงไรนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามฝืนต้องอย่าปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสของความโลภความอยากต่างๆอย่าปล่อยให้ใจไหลกระแสไปกับการกระทำบาวต่างๆ อย่าปล่อยให้ใจไหลไปกับการหาลาบยศเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ดึงใจของเราให้มาสู่การทำบุญสิบประการที่พระพุทธเจ้าได้สรงสอนให้พวกเรากระทำกันบุญสิบประการนี้ก็แบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆคือประเภทที่จำเป็นที่จะต้องทำอยู่เรื่อยๆ กับประเภทที่ทำไปตามโอกาสบุญนี่ก็เป็นเหมือนอาหารอาหารนี้ก็มีสองประเภทอาหารที่เราต้องมีรับประทานและก็อาหารที่เป็นอาหารเสริมอาหารที่เราต้องมีรับประทานก็คือกับข้าวกับปลาต่างๆเป็นต้นส่วนอาหารเสริมเช่นขนมผลไม้หรืออาหารเสริมอะไรต่างๆ ที่เราไม่ได้กินเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าได้กินก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นก็กินได้นี่คืออาหารมีอาหารที่อาหารหลักกับอาหารเสริมบุญก็มีบุญหลักกับบุญเสริมบุญหลักคืออะไรที่เราต้องพยายามทากันเป็นประจำทํากันทุกวันก็คือทานการให เราควรที่จะให้แบ่งปันสิ่งของต่างๆที่เรามีเกินความจำเป็นที่เราจะต้องเก็บเอาไว้ขอให้เราทำทานไปจะไม่ทำทานก็ต่อเมื่อเราไม่มีอะไรจะให้แล้วคือสิ่งที่เราต้องเก็บเราก็เก็บเอาไว้แต่สิ่งที่เราไม่ต้องเก็บอย่าปล่อยไว้เฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาไปทำทานเสีย จะทำกับพระทำกับวัดก็ได้ทํากับผู้คองเรือนคารวะญาติโยมเช่นบิดามารดาญาติสนิทมิตสหายหรือผู้ที่ตกทุกข์ผู้ที่มีความเดือดร้อนขาดแคลนในเรื่องของปัจจัยสี่ถ้าเราสามารถที่จะให้ได้ก็ควรจะให้เป็นบุญเหมือนกันคนับนี้ไม่ได้เป็น ตัวสำคัญว่าจะต้องให้กับพระถึงจะได้บุญให้กับสุนัขให้กับแมวกับมา้าก็ได้บุญเหมือนกันเพราะบุญเกิดที่ใจของผู้ให้ไม่ได้เกิดไม่ได้อยู่ที่ผู้รับผู้รับเป็นใครก็ได้ผู้ให้นี่แหละจะเป็นผู้ที่ได้บุญบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจบุญก็คือความเจริญของจิตใจผู้ให้นี้จะสูง ผู้ให้นี่เรียกว่าเทวดาดังนั้นขอให้เราทำทานกันอยู่เรื่อยๆเหมือนกับเรารับประทานอาหารทุกวันการทำทานนี้ก็เหมือนกับการให้อาหารแก่จิตใจเวลาเราทำบุญทำทานแล้วจะมีความอิ่มเอิใจมีความสุขใจจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากไปเที่ยวจะไม่อยากไปซื้อข้าวของฟุ่มเฟย หรือของที่ไม่จาเป็นต่างๆเพตที่เราอยากจะซื้อของเหล่านี้ก็เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำบุญกันใจเราจึงมีความอยากอยากได้รูปเสียงกลิ่นรถอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้ลาบยศเสริญกับแต่ถ้าเราทำทานอยู่เรื่อยๆใจของเราจะมีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจคือมีความสุข ที่เรียกว่าบุญนี้หล่อเลี้ยงจิตใจทำให้เราจะไม่ค่อยหิวกับเรื่องของของใช้ไม้สอยต่างๆของเล่นต่างๆของเที่ยวเตรต่างๆเพราะใจมีความสุขมีความอิ่มที่เกิดจากการให้ทานอันนี้เป็นบุญหลักที่เราควรพยายามทำกันไปจนกว่าเราไม่มีอะไรจะให้แล้วเช่นอย่างพระภิกษุนี้พอท่านมาบวชแล้ว ท่านก็ไม่มีอะไรจะให้แล้วจากการเป็นผู้ให้ก็จะกลับมาเป็นผู้ขอแล้วเพราะต้องอาศัยการให้ของศรัท ธ, ธายาดโยถึงจะอยู่ได้ดังนั้นผู้ที่มาบวชจึงไม่ควรกังวลกับการเรื่องของการทำทานอย่าไปขอเงินทองขอสิ่งของจากคนนั่นคนนี้เพื่อจะเอามาทำทานอันนี้ไม่ใช่ เป็นหน้าที่ของนักบวชนักบวชเป็นมีหน้าที่ที่จะรักษาศีลและภาวนานี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจบางคนไม่มีเงินทองเห็นเขาทำบุญแล้วได้ยินว่าการทำบุญนี้จะทำให้ตนเองมีความสุขมีความเจริญก็อยากจะทำกับเขาแต่ไม่มีเงินทองก็เลยไป ขอคนนั้นขอคนนี้หรือดีไม่ดีอาจจะไปลักทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อมาทำบุญอย่างนี้เป็นโทษมากกว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าการลักทรัพย์นี้เรียกว่าเป็นการทำบาปไม่รักษาศีลบุญที่ได้จากการรักษาศีลนี้มันสูงมันมากกว่าบุญที่เกิดจากการทำทานดังนั้นถ้าเราไม่มีเงินทอง เราอย่าไปรักทรัพย์เพื่อที่จะมาทำบุญเราอย่าไปขอเพราะการขอก็เป็นความโลภที่เราพยายามที่จะกำจัดถ้าเราไม่มีเงินทองที่จะทำก็ไม่ต้องทำการทำทานนี่มีสําหรับผู้ที่มีเหลือกินเหลือใช้พวกนี้ต้องทำทานเขาถึงจะได้หมดภาระกับเงินทองที่เขามีอยู่ พราะถ้ายังมีเงินทองก็แสดงว่ายังรักยังหวงเงินทองอยู่ก็จะไม่มีความสุขกับการมีเงินมีทองเวลาต้องสูญเสียหรือเวลาต้องเจ็บพัดพากจากเงินทองไปก็จะเสีย อ, อกเสียใจแทนที่จะมีความสุขกับมีความทุกข์เนี่ยจึงต้องสละเงินทองที่เรามีเกินความจําเป็นไปนี่คือบุญเรียกว่า การให้ทานบุญข้อที่สองก็คือการรักษาศีลอันนี้เราต้องรักษาเป็นประจำตลอดเวลาอย่างน้อยก็คือศีลห้าเราต้องละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเช่นการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืน การเที่ยวเตร่หาความสุขจากการได้ดูได้ยินได้ฟังละเว้นจากการคบคนที่ไม่ดีเป็นมิตรละเว้นจากความเกลียดครั้งนี่คือบาปและอบายามุขที่เราควรที่จะละเว้นกันเพราะว่าถ้าเราทำแล้วจะทำให้ใจเราทุกข์ไม่ใช่ทำให้ใจเราสุข เราต้องการความสุขและทําแล้วจะทําให้ใจเราตกต่าําเราจะไม่สามารถคลองความเป็นมนุษย์ได้ถ้าเราทําผิดศีลเราจะกลายเป็นเดรัจฉานกลายเป็นเปรตกลายเป็นสัตว์นรกไปถ้าเรายังอยากจะรักษาคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์เราต้องพยายามรักษาศีลห้าให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วเราจะต้อง ไปเป็นเดลชานไปเป็นเปรยไปตกนรกหลังจากที่เราตายไปแล้วและบุญข้อที่สามที่เป็นบุญหลักที่เราต้องทำทุกวันก็คือการภาวนาการภาวนานี้ก็มีสองระดับระดับแรกเรียกว่าสมถภาวนาทำใจให้สงบระดับที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาสอนใจให้ฉลาด การทำใจให้สงบนี้จะทำให้ใจของเรามีความสุขอย่างมากจะมีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้และจะทำให้ใจของเรานี้ขึ้นไปสู่ระดับพรหมโลกแล้วถ้าเราจเจริญวิปัสสนาสอนใจให้ฉลาดใจของเราก็จะก้าวขึ้นสู่ระดับอริยะเจ้า จะได้ไปเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระ อ, อนาคามีพาาระอรหันต์ตามลำดับจนไปถึงพระนิพพานนี่คือการภาวนาที่เราควรจะบำเพ็ญกันอย่างน้อยวันหนึ่งก็สองครั้งก็ยังดีก่อนนอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วก็ภาวนากันนั่งสมาธิพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไป ทำใจให้สงบแล้วเราจะได้มีความสุขจากความสงบของใจจะทําให้ใจของเราไม่หิวโหยไม่อยากได้สิ่งต่างๆแล้วก็ขั้นต่อไปก็สอนใจให้ฉลาดให้เราอย่าลงยึดติดกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะมันจะทําให้เราทุกข์ใจและจะทําให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดเช่นสอน ว่าร่างกายของเรานี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ล่วงพ้นไปไม่ได้เราต้องพัดภ้าจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในขณะนี้ถ้าเรารู้แล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจไม่ยึดไม่ติดปล่อยวางเวลาที่เราต้องพัดผ้าจากกันเราจะไม่เศร้าโศกเสียใจ เราจะรู้สึกเฉยๆเป็นเรื่องปกติเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเราจะไม่รู้สึกเสียใจเวลาพระอาทิตย์ตกเพราะเรารู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ได้ขึ้นไม่ได้ตกกลับไปกับพระอาทิตย์เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเรามีความสุขจากความสงบเราอยู่คนเดียวได้ใครจะจากเราไปเราจะไม่เสียอกเสียใจ เพราะเราไม่ได้เพิ่งเขาให้ความสุขกับเรานี่คือบนหลักที่เราควรจะทำสามข้ออีกข้อหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็ต้องฟังทุกวันสมัยนี้เรามีหนังสือมีซีดีมันฟังเทศฟังธรรมกันเพราะเป็นวิชาความรู้ที่ไม่มีความรู้อะไรในโลกนี้เหมือนกับความรู้ของ ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องเรียนรู้คำสอนเพื่อเราจะได้รู้วิธีที่จะรักษาชีวิตจิตใจของเราให้มีแต่ความสุขความเจริญให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอย่างในขณะนี้ญาติโยมก็ฟังเทศน์ฟังธรรมกันฟังแล้วก็จะได้ยินเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้ว เราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นจะทำให้เรากำจัดความสงสัยต่างๆไปได้เช่นสงสัยเรื่องเวียนว่ายตายเกิดสงสัยเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ถ้าเราฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราก็จะหายสงสัยเพราะคำสอนของพพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงร้อยเปเซเราเชื่อได้อย่างตายใจเลย เป็นความจริงทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ไม่เห็นด้วยตาของเราก็ตามแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อว่าท่านสอนแล้วเราก็จะได้เชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงและการสิ้นสุดจากการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงเราจะไม่สงสัยและเราจะพยายามทำตามที่พุทธเจ้าทรงสอน คือพยายามทำบุญอย่างเดียวเกิดมาชาตินี้จะขอทำบุญอย่างเดียวไม่หาราบยศสรรเสริญไม่หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายจะทำทานจะรักษาศีลจะภาวนาจะฟังเทศฟังธรรมนี่คือบุญหลักที่เราจะต้องกระทำกันทุกวันส่วนบุญเสรมนี่ก็แล้วแต่โอกาสเช่นถ้าเรามาทำบุญเราก็สามารถอุทิศบุญไปได้ ถ้าเราอยู่ที่ไหนที่มีการกระทํางานทําการเราก็ร่วมร้ายร่วมมือช่วยเหลือกันไปอย่าอยู่เฉยๆอย่านิ่งดูได้เห็นขา้าวรา่งถ้วยรั่งชามก็ช่วยกันล้างเห็นขา้าวกวาดถูศาลาก็ช่วยกันกวาดช่วยกันถูอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งแล้วแต่โอกาสมีก็ทําไม่มีก็ไม่ต้องทํา บุญที่เกิดจากความเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักที่สูงที่ต่ำมีสัมมาคารวะนะไม่อวดเก่งไม่อวดเบ่งไม่อวดดีพนะยายามทำตัวให้เป็นผู้น้อยไว้แล้วไปอยู่กับใครที่ไหนก็จะไม่มีใครรังเกียจถ้าไปอยู่แบบอวดเก่งอวดดีรู้มากนี่จะมักจะไม่ค่อยมีคนอยากจะคบค้าสมาบด้วยนะ แต่แล้วแต่โอกาสถ้าเราเข้าสังคมเราไปพบปะกับคนพยายามทำตนเป็นผู้อ่อนน้อมทำตนดีกว่าอย่าไปทำตัวอดเกง่อเงอวนเบ่งอวดใหญ่อวดโตเพราะไม่มีใครก็ชอบคนแบบนี้กันเช่นเดียวกับการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นถ้าเรามีหนังสือธรรมะดีๆถ้าเห็นว่าผู้อื่นเขาเดือดร้อนมีความทุกข์ใจเขาต้องการแสงสว่างแห่งธรรม เราก็สละหนังสือที่เรามีอยู่ดีให้กับเขาไปเพื่อเขาอ่านหนังสือแล้วอาจจะทำให้เขาหูตาสว่างทาให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็ได้นี่คือบุญเสริมที่เราทาตามเวลาตามโอกาสแต่บุญหลักนี้เราต้องพยายามทํากันอย่างต่อเนื่องเว้นไม่ได้ทุกวันนี้ควรจะทําบุญทาทาน ถ้าไม่ได้มาวัดอยากจะทำบุญใส่บาตรเอาเงินที่จะใส่บาตรนี้ใส่กระปุกไว้ก่อนก็ได้แล้วเวลาเรามาวัดเราก็เอาเงินที่เราใส่กระปุกนี้มาถวายวัดต่อไปถวายเป็นค่าน้่งค่าไฟค่าอะไรที่ทางวัดจะต้องใช้ก็ได้เหมือนกันก็เหมือนกับได้ใส่บาตรทุกวันใส่วันละเล็กวันละน้อยทำไมเราจ้องทำทุกวันเพราะว่าถ้าเราทำทุกวันมันจะเป็นนิสัย แล้วมันจะทำง่ายแต่ถ้าเรานานๆานทาทีมันจะทำยากบางทีไม่อยากจะทำต้องรอให้มีโอกาสดีๆจริงๆถึงจะทำเช่นวันเกิดเอ่ยวันขึ้นปีใหม่เอ่ยวันสงกรานต์เอ่ยถึงจะทากันทาแบบนี้ไม่พอไม่พอหล่อเลี้ยงจิตใจที่จะทำให้จิตใจมีความสุขมีความเมตตาการุณาที่จะช่วยเสริมให ใจสามารถรักษาศีลได้ผู้ที่จะรักษาศีลได้นี้ก่อนที่จะรักษาศีลได้ต้องทำบุญทำทานให้ได้เสียก่อนต้องรู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันต้องมีความเมตตากรุณาถึงจะสามารถรักษาศีลได้เพราะคนทำบุญทำทานนี้มักจะเป็นคนที่ไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นไม่ชอบให้คนอื่นเดือดร้อนจากการกระทาของตนชอบให้ผู้อื่น มีความสุดคนทำบุญจะมีจิตใจแบบนั้นถ้ามีจิตใจแบบนั้นก็จะทำให้การรักษาศีลการไม่ทำบาปนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายและเมื่อเราไม่ทำบาปแล้วชีวิตเราก็จะไม่วุ่นวายจิตใจเราจะไม่วุ่นวายเวลาทำใจให้สงบก็จะง่ายง่ายกว่าการทำใจให้สงบเวลาที่มีจิตใจ ว, วุ่นวายกับบาปกรรมต่างๆ ท, ท, ท, ที่ได้ทำเอาไว ดังนั้นการทําบุญนี้เป็นเหมือนบันไดขั้นแรกที่จะนําพาเราขึ้นสู่บันไดขั้นที่สองก็คือการรักษาศีลถ้าเรารักษาศีลให้ได้ต่อไปเราก็จะรักษาศีลแปดได้เพราะว่าถ้าเราไม่รักษาศีลแปเวลาเราจะไปนั่งสมาธิไปภาวนาเราจะทําไม่ได้เพราะมันจะมีอุปสรรคอะไรมากมายเวลาก็จะไม่มี เช่นถ้าเรายังอยากจะดูละครอยู่พอถึงเวลานั่งสมาธิก็พอดีตรงกับเวลาดูละครก็เลยดูละครแทนแทนที่จะมานั่งสมาธิก็เลยไม่ได้นั่งสมาธิแต่ถ้าถือศีลแปดนี้เราก็ดูละครไม่ได้เมื่อไม่มีละครดูดูละครไม่ได้เราก็ต้องนั่งสมาธิแทนเช่นเดียวกับการหลับนอนกับแฟนกับการรับประทานอาหารในายาม วิการคือหลังจากเที่ยมวันไปแล้วกับการไปเที่ยวเตยตามสถานบันเทิงต่างๆหรือกับการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมความสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอภารรด้วยเครื่องสำอางต่างๆไม่ต้องแต่งให้เสียเวลาคนนั่งสมาธินี้ไม่ไม่ต้องออกไปข้างนอกบ้านอยู่ในบ้านหรือไปอยู่วัดที่วัดเขาก็ไม่นิยมแต่งเนื้อแต่งตัวกัน เพราะว่ามันเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์เราต้องอาการเอาเวลามาภาวนามาทำใจให้สงบเพื่อเราจะได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายที่เราเคยมีอยู่ที่ เ, เราเคยได้พบแล้วจะทำให้เราสามารถสละความสุขทางโลกไปได้ทำให้เราสามารถสละลาบยศฉลเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายไปได้ จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะเมื่อเราไม่มีความอยากที่จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือเป้าหมายหรือผลที่เราจะได้รับจากการทำบุญดังนั้นขอให้เราจงทำความเห็นให้ถูกต้องว่าเราเกิดมาทำไม เราเกิดมาก็เพื่อมาทำบุญเพราะบุญเท่านั้นที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญและทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำบุญทั้ง1ิบประการนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความสิ้นของความทุกข์ทั้งหลาย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 โดยทั่วหน้ากันเธอ